สอาณาปานสังยุตหนึ่งเอกธรรมวักหมวดว่าด้วยธรรมอันเป็นเอกหนึ่งเอกธรรมสูตรว่าด้วยธรรมอันเป็นเอก 977. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย ทำอันเป็นเอกที่ภิกษุจเจริญทาให้มากแล้วมีผลมากมีอนิสงมากทาอันเป็นเอกคืออะไรคืออนาปานสติอนาปานสติที่ภิกษุจเจริญ อ, อย่างไรทาให้มากแล้อย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสงมากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกอาณาปานสติ16หขั้นหนึ่งเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว เม of so so so of so ื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว 2. เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น 3. สามเนียกว่ารู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าสมเนียกว่ารู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจออก สั่้เนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจเข้าซ้ำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจออกหสา้สเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจเข้าส้ำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจออก6สั้เนียกว่าจะรู้ชัดสุข หายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจออก7ส็บเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจออก8สดสเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่า จะระงับจิตตสังขารหายใจออกเก้าสําเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจเข้าสําเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจออกสิบสําเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสําเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจออกสิบเอ สำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออกสิบสองสำเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจออกสิบสามสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง หายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาว่าไม่เที่ยงหายใจออก 14. สิบสีออ่สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออกสิบห้า สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออก1ิบหกสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก พิษุตทั้งหลายอาณาปานสติที่บุคคลเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอานิสงมากเอกธรรมสูตรที่หนึ่งจบ